ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังคะอัตกราพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลถึงเรื่องที่สามสิบสี่ปักินกะวินิชยกถาคาถาว่าด้วยการวินิจัยเรื่องเบตเตเลต เรื่องบตต็ดเร็จนี้ก็จะมีหัวข้อประกินหกะกันมีเรื่องเบตต็ดเร็จเรื่องย่อยๆถึงหกสิบแปดเรื่องด้วยกันในหัวข้อเหล่านี้ก็จะกล่าวให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็เรื่องการฉันเป็นหมู่คณะโภชนะเรื่องที่สองการฉันที่หลังก็ปรำประโภชนะเรื่องที่สามการไม่บอกลาพิสูจก่อนเข้าบ้าน เรื่องที่สี่ภาพบางสกุลเรื่องที่ห้าโจนชิงชีวรเรื่องที่หกก็ให้เขียนภาพสตรีพิกษุเรื่องที่เจ็ดพิสุยังพิกสุผู้ฉันค้างอยู่ให้ลุกขึ้นเรื่องที่แปดพิสุนวกกะผู้สอนนั่งอาสนะเสมอกันหรือสูงกว่าได้กับผู้เรียนจะเป็นภาษาแก่กว่าก็ตาม เรื่องที่เก้าพิสูดระหว่างสามภาษานั่งร่วมกันได้อันนี้ก็เรียกว่าสมานาชนะมีอาชนะเสมอการระหว่างสามภาษาเนี่นะหนึ่งสองสามหรือว่าสองสามสี่หรือว่าสี่ห้าหกอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีอาชนะเสมอกันเรื่องที่สิบอาชนะยาวเรื่องที่สิบเอ็ดพันนาณาทิสุผู้อุปทาทิตุอาภาเรื่องที่สิบสองพันน า, นาคุณของความตาย เรื่องที่สิบสามยังตนให้ตกไปก็คือค่าตัวตายเรื่องที่สิบสี่ไม่พิจารณาก่อนอย่างนั่งอาสนะเรื่องที่สิบห้ากลิ้งหินเล่นเรื่องที่สิบหกเผาป่าเรื่องที่สิบเจ็ดตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฐิต้องพิจารณาก่อนรับอาหารบินตาบาเรื่องที่สิบแปดทานที่ผู้รักษาอุทยานถวายเรื่องที่สิบเก้าการขออารักขาที่เป็นธรรมเรื่องที่ยี่สิบ เทอุจระเป็นต้นเรื่องที่ยี่สิบเอ็ดการเสียดสีการที่ท่าอาบน้ําเรื่องที่ยี่สิบสอการใช้เครื่องประดับหูเรื่องที่ยี่สิบสาผมยาวเรื่องที่ยี่สิบสี่ตองดูเงาหน้ายี่ห้าการฟ้อนรําเป็นต้นยี่สกิการตัดองค์กชาตยีิบเจการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ยี่ิบแดเรื่องบาดยี่ิบเกาการบางสกุลของทุกอย่าง30มสผ้ากรองน้ํา สามทเอดเกลกายสาสองนอนบนที่นอนอันเกื่อนกลนด้วยดอกไม้สาฉสามันอาหารบนเตียบสาฉสี่ันอาหารบนโต๊ะสามห้าันร่วมภาชนะเดียวกันสาการเหยียบแผ่นผ้าสาเจ็ดไม้สำหรับขัดเทา้าสาปดพัดปัดยุงสาเก้าร่มสี่สิบการไม้เล็บยาวสี่สิบเอ็ดากระพดเอวเข้าบ้านสี่สิบสองนุ่งหม่ม เรื่องการนุ่งห่ม43การหาของ44ไม้ชมระฟัน45เคื่อนต้นไม้46ยกพุตพ์ด้วยฉันแตือว่าสันสกิตรุนเองภาษาสันสกิต47การเรียนโลกาญตา48เรื่องจาม49ฉันกระเทียม50ไม่เหยียดเสียนสนะพร้ะมีเท้าเปื่อน51 บุคคลที่ไม่พึงไหวห้าสิบสองนุ่นห้าสิบสามปูกห้าสิบสี่หมอนห้าสิบห้าตังห้าสิบหกที่นั่งที่สูงและใหญ่ห้าสิบเจ็ดจีวร5ห้าสิบแปดทำกรรมไม่เป็นธรรมห้าสิบเก้าไม่ขอโอกาสก่อนแล้วโจรหกสิบการยังศรัทธาไทยให้ตกไปหกสิบเอ็ดเพียกถูมีผ้าอันตรวาสศกและอุตรวาสองไม่พึงเข้าบ้านสมัยถึงไม่ได้เอาสังฆติเข้าไปในไมควรยกเว้นมีเหตุ 62การเก็บผ้า63ทำศัพทกรรมก็คือผ่าในที่แคบในช่องแคบ64ช่างกระบอก65การให้ส่วนหนึ่งในสิบ66สเบียง67มหาประเทศ68เรื่องสุดท้ายก็คือพระวิเนทรย่อมได้อานิสงอานิสงตั้งแต่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดอานิสงสิบเอ็ดข้อเลยามาดูเนื้อเรื่องปกิณากะาวินิชยัคฐาน เรื่องนี้เบตดเร็จหมายถึงว่าเรื่องหลากหลายบัทนี้เพิงทราบพกินหนักกถาดังต่อไปนี้การฉันเป็นหมู่ก็คือคณะโภชนะที่กล่าวไว้ว่าเป็นปาเจตีเพราะฉันเป็นหมู่เว้นไว้แต่สมัยดังนี้คณะโภชนะย่อมเป็นไปโดยอาการสองอย่างก็คือโดยวินยัตอย่างหนึ่งหมายถึงโดยการเอ่ยปากขอ แล้วก็โดยนิมนต์อย่างหนึ่งอันนี้หมายถึงญาติโยมเขานิมนต์โดยการออกชื่ออาหารย่อมเป็นไปโดยอาการขออย่างไรคือภิกษุสี่รูปยืนหรือนั่งอยู่ด้วยกันเห็นอุบาสกแล้วออกปากขอว่าท่านจงถวายพัตฐารแก่พวกเราทั้งสี่รูปดังนี้ก็ดีต่างคนต่างเห็นแล้วออกปากขอรวมกันหรือขอต่างกันอย่างนี้ว่า ท่านจงถวายแกเราท่านจงถวายแกเราดังนี้ก็ดีจะไปพร้อมกันหรือว่าไปต่างกันก็ตามแม้รับประเคนพัดแล้วจะฉันรวมกันหรือว่าฉันต่างกันก็ตามถ้ารับประเคน ร, รวมกันจะเป็นคณะโภชนะถือเอาการรับประเคนเป็นประมาณเป็นอาบาัติแก่ติจุทั้งหมดจึงอยู่ในคณะโภชนะนี้การรับประเคนนั่นแหลเป็นประมาณย่อมเป็นไปโดยวินยักษ์อย่างนี้ทิสุไปขอ อาหารจากญาติโยมเขาแล้วก็รับประเค้นร่วมกันรับเค้นร่วมกันสี่รูปขึ้นไปตั้งแต่สี่รูปสิทธาบทนี้พระเทวทัตเป็นต้นเหตุหลังจากที่เสื่อมกับลากไปเอ่ยปากขออาหารจากญาติโยมเ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติสิทธาบทนี้เพื่อป้องกันพิจุที่จะไปต้องสมเป็นหมู่เป็นพวกเป็นผู้ที่ปรารถนาลามกแบบพระเทวทัตอันนี้ก็เป็นเรื่องของ การฉันเป็นหมู่ที่เป็นไปโดยอาการขอเรียกว่าวิญญะตต่อไปจะเป็นเรื่องของการนิมนต์ย่อมเป็นไปโดยการนิมนต์อย่างไรคือทายกเข้าไปหาพิตรสี่รูปแล้วนิมนต์ระบุชื่อโภชนะทั้งห้าโดยไว้พดอย่างใดอย่างหนึ่งโภชนะห้าก็อะไรบ้างข้าวสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้ออันนี้เรียกว่าโภชนะห้า แต่ว่าจะใช้ไว้พ์อย่างไรก็แล้วแต่จะเป็นข้าวสุก ข, ข้าวสวยข้าวขา ว, ข, าวข้าวอะไรก็แล้วแต่หรือว่าโดยภาษาอื่นก็ตามใช้ไว้พสหรือว่าภาษาอื่นก็ได้อย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญผมนิมนต์ท่านด้วยข้าวสุก ข, ขอท่านจงถือเอาข้าวสุก ข, ของผมจงหวังจงตรวจ ด, ดูจงรับจงยินดีรับซึ่งข้าวสุก ข, ของผมดังนี้เที่ตุตั้งแต่สี่รู่ขึ้นไปรับนิมนต์รวมกันอย่างนี้ ไปพร้อมกันเพื่อฉันในวันนี้หรือเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ได้วยอำนาจแห่งเวลาที่เขากําหนดไว้รับรวมกันฉันรวมกันจัดเป็นคณะโภชนะอันนี้คือการรับรวมกันเหมือนกันรับรวมกันฉันรวมกันหรือว่าไม่ฉันรวมกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ารับรวมกันถ้าเขาเอ่ยชื่อโภชนะห้าแล้วแล้วรัฐรวมกันได้สีรู้ขึ้นไปก็อบับบากิตตีคณะโภชนะสิกขาบทอันนี้มาในพระปาติโม เป็นอาบัติแก่ทิศตุทั้งหมดทิศตุทั้งหลายรับนิมนต์รวมกันไปพร้อมกันหรือต่างกันรับพร้อมกันฉันรวมกันหรือว่าต่างคนต่างฉันก็เป็นอาบัตเหมือนกันทิศตุทั้งหลายรับนิมนต์รวมกันจะไปพร้อมกันหรือว่าไปต่างกันก็ตามรับประเคนต่างกันฉันรวมกันหรือว่าต่างกันก็ตามไม่เป็นอาบัติเพราะอะไรเพราะว่ารับประเคนต่างกันต่างคนต่างรับไม่ได้ไปรับพร้อมกันหรอก ไม้เป็นอ ბ ัตนะแม้จะรับนิมนต์รวมกันก็ตามจะฉันรวมกันก็ตามแต่เวลารับก็ต่างคนตา่างเคยรับพิสูจน์ทั้งหลายไปยังบริเวณหรือวิหารสี่แหง่งรับนิมนต์ต่างกันหรือบรรดาพิสูุนผู้ยืนอยู่ในที่แห่งเดียวกันนั่นแหละรับนิมนต์ต่างกันแม้อย่างนี้คือลูกชายนิมนต์หนึ่งรูปบิดานิมนต์หนึ่งรูปจะไปพร้อมกันหรือว่าไปต่างกันก็ตามจะฉันพร้อมกันหรือว่าฉันต่างกันก็ตาม ถ้ารับประเคน ร, รวมกันจัดเป็นคณะโภชนะเป็นอาบัติแก่ที่สุดทั้งหมดย่อมเป็นไปโดยอาการนิมนต์อย่างนี้ก่อนบ้านเดียวกันนะนะลูกชายก็นิมนต์รูปหนึ่งพ่อนิมนต์รูปหนึ่งแม่ก็นิมนต์รูปหนึ่งแล้วก็น้องสาวนิมนต์รูปหนึ่งก็เป็นสี่รูปด้วยกันต่างคนต่างนิมนต์จะไปพร้อมหรือว่าไปต่างกันก็นแล้วแต่จะฉันพร้อมฉันต่างก็แล้วแต่นะแต่ถ้าไปรับนิมนต์รวมกันก็ต้องอาบัติปาจิตติพราะคณะโภชนะ เพราะฉะนั้นถ้าคนบางคนถูกผู้ประสงค์จะทําสังฆพัดวานไปเพื่อต้องการให้นิมนพระมายังวิหารไม่กล่าวว่าท่านขวรับพรุ่งนี้นิมนทรรับพิกษาในเรือนของกระผมคือจริงแล้วต้องกล่าวอย่างนี้นิมนทรถูกต้องแหละแต่ว่าพรุ่งนี้นิมนทรรับพิกษาในเรือนของผมพิษานี่มันรวมหมดไม่ใช่เป็นเรื่องข้าวสุกไม่ใช่โภชนะห้าพิสาเนี่ยก็คืออาหารนั่นเอง แต่ว่าไปกล่าวว่านิมนต์ท่านรับพัดก็ดีว่านิมนต์ไปรับสังฆพัดก็ดีอันนี้เป็นการกล่าวผิดถ้าเกิดพระจูดรับแล้วก็ไปรับเป ร, รียรวมกันนี้ก็ต้องอบัตคณะโภชนะเพราะว่าเอ่ยชื่อพัดหมายถึงข้าสุกเป็นโภชนะห้าก็ว่าขอสง่งจงรับพัดก็ดีพระพัตตุเทศพึงเป็นผู้ชลาสามารถปรเปลืเปลืองได้นะพึงเปื้องพวกทิฏฐุผู้รับนิมนต์จากคณะโภชนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ รับแจกพัดหรือว่าพระพัทุเทศจะต้องเป็นคนฉลาดด้วยว่าคขาหนี้มวลถูกหรือว่านิมวลผิดพึงเครื่องพิจิตุพวกถือบินฎิปาติกะทุดงจากความแตกแห่งทุดงด้วยเพราะว่าถ้าเขาห น, น, น, นิ้มวลไปรับพัดนี่พระพิจิตตุถือบินทบาศก็ไปไม่ได้แต่ว่าถ้านิมว์รับพิจารพิจิุก็ไปไปบินทบาศได้เหมือนกันคืออย่างไรคือพระพัดทุเทศพึงกล่าวอย่างนี้ก่อนว่าพรุ่งนี้ไม่อาจรับหลอกอุบาสก เมื่ออุบาสกกล่าวว่ามะรืนนี้ขอรับพึงกล่าวว่ามะรืนนี้ก็ไม่อาจรับได้อุบาสกก็เลื่อนไปอย่างนี้แม้จนถึงกึ่งเดือนพระพุทธเทศาพึงพูดอีกว่าท่านพูดอะไรก็ถามย้ำมานะว่าพูดใหม่สิพูดอะไรพูดว่ายอย่างไรถ้าแม้อุบาสกพูดจําอีกว่านิมนต์ท่านรับสังฆพัฒน์ลำดับนัน้นพระพุทธเทศาพึงทําให้ไข้เขวไปอย่างนี้ว่าอุบาสก จงทําดอกไม้นี้จงทํำญ้านี้ให้เป็นกับอิยักรณ์ก่อนก็พูดไปเรื่องอื่นเสียแล้วย้อนถามว่าท่านพูดอะไรถ้าแม้เขายังพูดซ้ําแม้อย่างนั้นนั่นแหละพึงกล่าวว่าผู้มีอายุท่านจับไม่ได้เพื่อมหาเถระผู้ถือปินฑบาตเป็นวัดท่านจับได้พวกสามเณรและเมื่อเขาถามว่าท่านครรับพวกคนในบ้านโน้นและบ้านโน้นนิมนต์ให้พระคุณเจ้าผู้เจริญฉันไม่ใช่หรือ ถ้าเหตุไรผมจะไม่ได้ก็บ้า น, นูก็ยังนิมนต์ไปได้เลยทําไมผมจะไม่ได้ล่ะก็พึงกล่าวว่าพวกเขารู้จักนิมนต์ส่วนท่านไม่รู้จักนิมนต์อันนี้ก็จะเริ่มถอนเลยนะเขาถามว่าท่านควรรับพวกเขานิมนต์อย่างไรพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าพระพิกษตรก็ตอบว่าเขากล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์รับทิษาของพวกกระผมครับถ้าแม้เขากล่าวเหมือนอย่างที่พูดนั่นแหลการนิมนต์นั่นก็สมควรถ้ากาชนะก็พูดใหม่เลย ทั้งนั้นผู้นี้ผมข อ, อนิมนต์รับพิษานะครับแต่ถ้าเขายังกล่าวซ้ําอีกว่านิมนต์รับพัดก็เป็นคนที่ไม่เคยรู้อะไรก็แล้วแต่นิมนต์รับพัดอีกเพิ่งกล่าวว่าผู้มีอายุคราวนี้ท่านจับไม่ได้พิกจุมากจักได้เพียงแค่สามรูปเท่านั้นเพราะว่าถ้าสามรูปนิมนต์รับพัดสารูปไปรับมาฉันก็ไม่เป็นอาบัติคณะโภชนะ ถ้าเขาถามว่าท่านขรรภ์พวกชาวบ้านในบ้านโนนและบ้านโน้น น, น, นิมนต์ทิสุสง์ทั้งหมดให้ฉันไม่ใช่หรือผมจำไม่ได้เพราะเหตุไรเล่าทำไมจะให้ผมแค่ถามรูปเท่านั้นล่ะทิสุก็กล่าวว่าท่านไม่รู้จักนิมนต์เขาถามว่าท่านขรรับพวกเขานีมนอย่างไรทิสุก็ตอบว่าพวกเขากลางอย่างนี้ว่าท่านขรรับนิมนต์รับทิสารของพวกกระผม ถ้าแม้เขาเปล่าว่านิมนต์รับทิกษาเหมือนอย่างที่พูดนั้นนั่นแหละการนิมนต์นั้นก็สมควรแต่ถ้าเกิดเขาพูดว่าพัดเท่านั้นนิมนต์รับพัดอีกทีนั้นพระพตุเทศพึงปล่าว่าไปเถิดเถิดท่านพวกเราไม่มีความต้องการด้วยพัดของท่านอะไล่กลับเลยนะพูดสอนก็สองครั้งแล้วสามครั้งแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอีกก็นิมนต์รับพัดอยู่นั่นแหละนิมนต์อย่างนี้ไม่เอาเราไม่ต้องการพัดของท่านแต่ว่าก็บอกเป็นน ไ, ไว้นะว่า บ้านนี้เป็นที่เที่ยวไปเนืองนิดของพวกเราพวกเราจะไปรับดินธบาร์ที่บ้านนี้เพราะฉะนั้นก็เราไม่ต้องการคาสถึท่านเราแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดินธบารเขากล่าวว่านิมนต์ท่านเที่ยวไปยังบ้านนั้นเถิดขอรับชาวบ้านถามคนที่ไปนิมนต์แล้วกลับมาว่าผู้เจริญท่านได้พระแล้วหรือคนนิมนต์ก็กล่าวว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยคำพูดที่จะพูนกล่าวให้มากนี้ในเรื่องการนิมนต์นี้ มีคําจะต้องพูดมากเอ๊ะจะต้องพูดอะไรก็ไม่รู้นะมันรุ่งยากมากเลยคนจริงก็ถ้าตั้งใจฟังให้ดีแค่ น, นี้มนตร์รับพิษสาในเรือนของกระผมในวันพรุ่งนี้ครับแค่เนี้ยแต่ว่าพูดไม่เป็นอะไรเปื่องมากจะต้องพูดมากบอกว่าพระเทเรสทั้งหลายพูดว่าพวกเราจะเที่ยวไปเบญจบารพรุ่งนี้คราวนี้พวกท่านอย่าประมาทกขาบอกว่าเดีย๋ยวท่านจะมาเบญจบารเพราะฉะนั้นให้รับปาดูท่าน ประเพณีในครั้งอดีตนี้พระวติตุมาบินสบา ก, กรับบานแล้วก็นิมนต์เข้าไปนั่งฉันในเรือนได้เลยในวันรุน่งขึ้นพระสังฆเถระถึงบอกพิจุดทั้งหลายผู้ทำเจติยวัดข้าวัดในพระเจดีนะดูแลพระเจดีปัดขว า, างตานแล้วยืนอยู่ว่าคุณที่บ้านใกล้มีสังกพัฒนแต่คนไม่ฉลาดได้มานิมนต์แล้วกลับไปแล้ว ไปเถิดพวกเรากับเที่ยวไปบินธบา ท, ที่บ้านใกล้นั้นก็คือจะไปอนุเคราะห์นั่นแหละแต่ว่าจะไปในรูปของการบินธบาไม่ใช่ไปในฐานะการนิมนต์แต่ว่าเขาก็สามารถรับบาตเข้าไปแล้วเข้าไปฉันในบ้านได้เลยเหมือนกันเที่สุดทั้งหลายพึงทําตามคําของตาเถระไม่ควรเป็นผู้ว่าญาไม่พึงยืนที่ประตูบา้านเที่ยวไปเพื่อบินธบาเมื่อชาวบ้านเหล่านั้นรับบาสนิมนต์ให้นั่งฉันพึงฉันเถิดก็ไม่ต่างกันหรอก กับการนิมนต์ในฉันเองแต่ว่าใช้คําให้ถูกต้องเท่า น, นั้นเองถ้าใช้คําไม่ถูกต้องพระประิตรก็จะต้องกล่าวว่าจะไปบิณทบารแต่ว่าโยมก็อย่าประมาทตอนนี้การเนื้อพระไปปินทบาร์ก่อนรับบาให้เข้าไปฉันในเรือเลยก็ได้เหมือนกันถ้าเขาจัดวงพัดไว้ที่หอฉันแล้วเที่ยวไปบอกในถนนว่านิมนต์รับพัดที่หอฉันขอรับไม่สมควรอันนี้ก็เป็นการเอ่ยชื่อพัดเหมือนกัน แต่ถ้าเขาถือเอาพัดไปในที่นั้นๆเรียนว่านิมนทรับพัดเถิดหรือรีบนําไปยังวิหารทีเดียววางไว้ในที่อันสมควรแล้วถวายแก่พวกพิตุผู้มาถึงแล้วถึงแล้วพิษานี้ชื่อว่าพิษาที่เขานํามาจำเพาะเรียกว่าอภิหตตาพิขาย่อมสมควรก็คือนํามาเฉพาะหน้าแล้วเนั้นเขาจะกล่าวว่านิมนทรับพัดเถิดขอรัรบอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาหารนั้นอยู่เฉพาะหน้าแล้วแต่ว่า ถ้าอาหารนั้นไม่ได้อยู่เฉพาะหน้ายังอยู่ที่เรือนของเขายังอยู่ที่โรงฉันอาจาะนิมนต์ให้รับพิจาาได้แต่ถ้านิมนต์รับพัดนี่ไม่ได้ฉันสี่รูปเข้าไปก็ต้องไปรับสี่รูปก็ต้องอาบัดตอนฉันแต่ถ้าเขาเตรียมทานไว้ในที่โรงครัวแล้วเที่ยวไปยังบริเวณนั้นนั้นเรียนว่านิมนต์รับพัดในโรงครัวอันนี้ไม่สมควรเพราะว่าพัดนั้นไม่ได้อยู่เฉพาะหน้า แต่พวกชาวบ้านใดพอเห็นพวกพิกจุผู้เข้าไปบินธบาศก็ช่วยกันกวาดหอฉันนิมนต์ให้นั่งฉันที่หอฉันนั้นไม่พึงปฏิเสธชนเหล่านั้นแต่ชนเหล่านายเห็นพวกพิกจุผู้ไม่ได้พิกาในบ้านกําลังออกจากบ้านไปเรียนว่านิมนต์รับพัดเถิดขอรับไม่พึงปฏิเสธคนเหล่านั้นหรือว่าไม่พึงกลัดบอกว่านิมนต์รับพัดภิษุกาลังจะไปและไม่ได้มาบินธบาศ ไม่พึงปฏิเสธแต่ว่าก็ไม่พึงกลับถ้าพวกเขาพูดว่านิมนต์กลับเถิดขอรับขอนิมนต์รับพัดจะกลับไปในบทที่เขากล่าวว่านิมนต์กลับเถิดก็ได้ก็คือให้ใส่ใจว่าเขาพูดสองบทบอกว่านิมนต์กลับมาตอนขอนิมนต์รับพัดก็ให้ตั้งใจใส่ใจว่าจะกลับไปในบทที่ว่านิมนต์กลับเถิดก็ได้นี่ก็เป็นการตั้งสติไว้ อันนี้ก็ไม่ผิดด้วยเพรว่ามีสติพิจารณาลึกถึงสิกขาบทหรือว่าถะาลึกถึงว่าทําอย่างไรจึงจะไม่ผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของการอ้างเล่ทางไหหรอกชาวบ้านกล่าวว่านิมนต์กลับเถิดขอรับพักในเรือนทําเสร็จแล้วพักในบ้านทําเสร็จแล้วอย่ากลับไปด้วยคิดว่าพักในเรือนและในบ้านย่อมมีเพื่อใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ถาเขานิมนต์บอกว่านิมนต์กลับเถิดขอรับ พัดในเรือนทำเสร็จแล้วพัดในบ้านทำเสร็จแล้วก็จะกลับไปจะกลับไปไม่ใช่อยากกลับให้กลับไปด้วยคิดว่าพัดในเดินหรือว่าพัดในบ้านนั้นน่ะเขาทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราจะกลับไปในบทที่เขานิมนต์ให้กลับอันนี้สมควรอยู่นะเขากล่าวให้สัมพันธ์กันด้วยคําว่านิมนต์กลับไปรับพัดเถิดดังนี้จะกลับไปไม่ควรถ้าเขาใช้บทติดต่อกันเลยก็คือนิมนต์กลับไปรับพัด อันนี้มันแยกบทไม่ได้เป็นบทเดียวเพราะฉะนั้นไม่ควรกลับไปแม้ในคําที่ชาวบ้านเห็นพวกพิจุผู้ ก, กําลังออกจากโรงฉันไปเพื่อเที่ยวบินธบาแล้วกล่าวว่านิมนต์นั่งเถิดขอรับข อ, อนิมนต์รับพัดดังนี้ก็ในนี้นั่นแหลก็คือจะกลับไปด้วยบทว่านิมนต์นั่งเถือขอรับอันนี้ก็ได้แต่ว่าบทว่านิมนต์รับพัดอันนี้ไม่เอาก็มี บางท่านก็เข้าใจว่าตอนที่ญาติโยมเขานําอาหารมาถวายที่วัดแล้วก็กล่าวถวายสังฆทานเนี่ยก็จะเอ่ยชื่อพัท ด, ด้วยนะนีมนฉันเนี่ยก็แต่พระพิตรสงคูเจริญขอพระพิตรสงโจรับซึ่งพัทซึ่งพัทหรือว่าพัฒนาหารพร้อมทั้งบริวารของข้าพเจ้าท่างหลายทุประโยชน์ทุกความสุขที่กัลยาณาบางท่านก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นการเอ่ยผูชนะห้า พระสุไม่ควรจะฉันฉันก็ไปเดี๋ยวจะต้องอาบัตชนะโพชนะแต่ว่า น, นี้ไม่เป็นไรเพราะว่าอาหารที่ว่านํามาเฉพาะหน้า น, นี้เรียกว่าอภิหัตตาพิถาอาหารที่นํามาเฉพาะแล้วอันนี้จะเ อ, อ่ยชื่อจะเป็นแกงไก่แกงเป็ดแกงอะไรก็แล้วแต่เป็นแกงเนื้อเป็นปลาอะไรก็ไม่เป็นไร้ฉันได้เพราะมีพระบาลีว่าเว้นไว้แต่สมัยดังนี้ไม่เป็นอาบัตในเพราะสมัยที่ยกเว้นสมัยใดสมัยหนึ่ง ในบรรดาสมัยที่ยกเว้นเจ็ดอย่างเหล่านี้คือคราวสมัยอาภาคราวที่เป็นสมัยที่ถวายชีวรสมัยที่ทําชีวรสมัยที่เดินทางไกลสมัยที่โดยสารเรือสมัยที่ประชุมใหญ่แล้วก็สมัยที่เป็นพักของสมณะเจ็ดสมัยในการละเจ็ดการนี้ฉันไม่อาบัดเพราะฉะนั้นเท้าทั้งสองแตกโดยอาการที่เนื้อปรากฏให้เห็นข้างหน้า หนังใหญ่เพียงถูกทายหรือว่ากรวดกระทบ mm. ก็ก่อให้ทุกเกิดขึ้นไม่สามารถจะไปเที่ยวบินธบาตภายในบ้านได้มนอาภาษเช่นนั้นควรฉันได้คือฉันคณะโภชนะก็เอ่ยชื่ออาหารก็ไปฉันได้เหมือนกันด้วยคิดว่าเป็นคราอาภาษแต่ไม่ควรทําให้เป็นกัปยะเรลเล่ก็คือไม่ใช่จะผา่าหนังตัวเองให้ออกมาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรละอันนี้ไฉันได้เพราะว่าป่วยอันนี้ไม่ควรทําเล่อย่างนี้ ต่อไปเป็นคราวถวายชีวรก็เมื่อไม่ได้กลางกระถินกําหนดท้ายฤดูฝนหนึ่งเดือนถ้าไม่ได้กลางกระถิน่นฤดูฝนนี้หนึ่งเดือนจะมีอ น, นิสงส์อนิสงสก็คือถ้าชีวร อ, อะไรต่างนี้กามารถหยู่กลารได้เมื่อไม่ได้กลางกระถินกําหนดท้ายฤดูฝนหนึ่งเดือนเมื่อกลางกระถินแล้วก็ยืดไปเป็นห้าเดือน ในระหว่างนั้นพีู่กคิดว่าเป็นสมัยที่ถวายจีวรแล้วฉันก็ได้ฉันสมัยที่ถวายจีวรยกเว้นคณะโพชนะฉันคณะโพชนะได้ได้ไดกลางการะถินแล้วว่าตามหรือว่ายังไม่ได้กลางการะถินแต่ว่าท้ายฤดูฝนเนี่ยสามารถฉันได้เมื่อพี่สูกำลังทำจีวรอยู่คิดว่าเป็นสมัยที่ทำจีวรแล้วฉันได้ความจริงว่า ในคราวที่พวกพิจุได้ผ้าและได้แล้วกระทำจีวร น, นี้ชื่อว่าคราวทําจีวรแท้จริงชื่อว่าจีวรการลสมัยคือสมัยที่ทําจีวอนแผนหนึ่งนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นพิจุใดกระทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ควรทนในจีวร น, นั้นสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในมหาบัญจรีว่าชั้นที่สุดพิจุผู้ร้อยเข็มดังนี้ ที่ตรงนั้นก็ควรฉันได้ด้วยคิดว่าเป็นจีวรการรัสมัยการรัสมัยนี่หมายถึงว่าสมัยทําจีวรคือถ้ามีการทำจีวรเมื่อไหร่ฉันคณะโภชนะได้เมื่อนั้นแล้วก็ไม่มีช่วงเวลาด้วยถ้าเป็นฤดูถวายจีวรนี่ยังมีช่วงเวลาก็คือท้ายฤดูฝนเดือนหนึ่งหลังจากออกพรรษาแล้วเนี่ยกําหนดเดือนหนึ่งก็คือเดือนที่รับผ่ากระถินได้เนี่ยแหละเดือนหนึ่งหรือว่าถ้าการกระถินแล้วก็ยืดไปเป็นห้าเดือน ชว่วงนี้เป็นช่วงของการถวายจีวรจีวรฐานะสมัยแต่ว่าจีวรการละสมัยนี้ไม่มีช่วงของเวลากําหนดนะว่าเมื่อไหร่เมื่อไรแต่ว่าได้จีวรมาเมื่อไหร่แล้วทําจีวรก็ถือว่าเป็นจีวรการละสมัยส่วนในกุรุนทีท่านกล่าวไว้โดยพิจารณาทีเดียวว่าทิศดุใดกะจีวรตัดจีวรด้นได้เนาถ้าผ้าเพาะเย็ดล้มตะเข็บ ติดผ้าดามตัดอนุวาดปั้นได้เย็บสายตะเข็บในจีวร น, นั้นกรอได้ม้วนได้รับมีดเล็กทําเครื่องปั่นได้ทิพย์ตูแม้ทั้งหมดนี้ท่านเรียกว่าทําจีวรทั้งนั้นก็ได้อานิสงส์ก็คือฉันคณะโภชนาได้แค่ไปหยิบไปฉวยไปจับได้มาร้อยเข็มไปฉันคณะโภชนาได้แล้วแต่ทิพย์ตูใดนั่งใกล้ๆกล่ า, ล า, ลาวชาดกก็ดีทำบบทก็ดีทิพย์ตูนี้ไม่ใช่ผู้ทําจีวรก็เป็นผู้ที่ ให้กำลังใจท่านั่นเองให้ธรรมะเป็นทานนะแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าเป็นการทําชีวอรหรอกเพราะฉะนั้นไม่ได้อานิสงส์หรือว่าไม่ได้ฉันคณะโภชนะนี้ยกเว้นพิสูจนี้เสียไม่เป็นอาบัติแก่พิสูจน์ที่เหลือในเพราะคณะโภชนะก็คือฉันได้หมดไปช่วยทําชีวรว่าฉันคณะโภชนะได้ในคราวเดินทางไกลพิสูุนแม้ผู้ประสงค์จะเดินทางไกลโดยกําหนดที่ตุดกึ่งโยศก็คือประมาณแปดกิโลเมตร จะฉันด้่คิดว่าเราจะไปในที่กึ่งโยธตอนจะไปจะฉันก็ได้ไปแล้วจะฉันก็ได้ในวันหนึ่งที่สุดเดินทางไกลนี่ต้องมีภาพเราน้ํากึ่งโยธเหน้ําน้ ำ, น ำ, นำแปกิโลเมตรก็ต้องมีภาพกลองน้ําเพราะฉะนั้นขาไปยังไปไม่ถึงอะยังไม่ได้ไปอ่ะจะฉันก่อนก็ได้ขากลับก็ฉันได้เหมือนกันในวันหนึ่งแล้วก็ในคราวที่โดยสารเรือ ที่สูพ่พึงฉันด้วยคิดว่าเราจะโดยสารเรือที่สู่ผู้โดยสารเรือไปถึงที่ซึ่งตนปรารถนาแล้วพึงฉันได้ตลอดเวลาที่ตนยังไม่ลงจากเรือลกจากเรือแล้วก็ฉันได้วันหนึ่งเหมือนกันเดินทางโดยโดยสารเรือแล้วก็คราวประชุมใหญ่คราวประชุมใหญ่ก็คือคราวที่พิสูจน์สองสามรูปบิณฑบาตพอเลี้ยงกัน แต่เมื่อมีรูปที่สี่มารวมด้วยไม่พอเลี้ยงกันนี้ชื่อว่าคราประชุมใหญ่คือตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปนี้ก็ชื่อว่าเป็นคราประชุมใหญ่ได้นละก็ในคราที่พิจุ ป, ประชุมการตั้งร้อยรูปหรือพันรูปไม่มีคำที่จะต้องกล่าวเลยเพราะฉะนั้นในการเช่นนั้นพิจุพึงอธิษฐานว่าเป็นคราวประชุมใหญ่แล้วฉันเถิดก็คือต้องมีตติระลึกได้ด้วย่านี้เป็นคราประชุมใหญ่ฉันก็ฉันคณะโภชนะได้ ชื่อว่าคราวพัดของสมณนะคือในคราวที่ผู้ใดผู้หนึ่งที่นับเนื่องว่าเป็นนักบวชทำพัดอาหารถวายนี้ชื่อว่าคราวพัดของสมณะจะเป็นพวกเดียร ถ, ถีเป็นพวกปริพาชคนอกพุทธศาสนาก็ได้นับว่าเป็นสมณะทำอาหารถวายนี้ก็จัดว่าเป็นคราวพัดของสมณะก็ฉันคณะโพชนะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรดานักบวชมีสธรมมิกก็ดีหรือว่าพวกอัญญาเดร ถ, ถีรูปใดรูปหนึ่ง ทำพัฒนาหารแล้วพิจูพึงอธิษฐานว่าเป็นคราวพัดกอนสมณะแล้วฉันเถอแม้พิจูเหล่าใดยินดีการนิมนต์ที่ไม่สมควรรับรวมกันสองรูปหรือว่าสามรูปแล้วฉันก็ไม่เป็นอบับก็เขานิมนต์ไม่สมควรเพราะว่าเอ่ยชื่อพัดหรือโภชนะหานนี้เรียกว่าเป็นการนิมนต์ที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าไปรับรวมกันแค่สองรูปสามรูปนี่ฉันก็้าไปก็ไม่มีอบัตก ไม่เป็นอบัตแก่พิสูุพวกเหล่านั้นเพราะมีพระบาลีว่าไม่เป็นอบัตในสมัยอย่างหนึ่งที่เป็นอนาบัตนะคะรับพิสูตสอรูปฉันรวมกันอย่างหนึ่งพิสูตหลายรปูปเที่ยวบินตบานนะครประชุมการฉันแห่งเดียวกันอย่างหนึ่งพัดเขาถวายเป็นนิดอย่างหนึ่งถ้าพัดเขาถวายเป็นนิดนี่เขาไม่ได้นิมนถวายเป็นประจําเลยอย่างนี้ไปฉันรับรวมกันสี่ ร, ปรูปก็ได้ พัดเขาถวายตามสลาอันนี้ก็รวบรวมกันหลายรูปได้เกินเสียเพื่อคุณแปลได้พัดเขาถวายในปักอย่างหนึ่งพัะถวายในวันอุโบสถอย่างหนึ่งพัดถวายในวันปาฏิบดอย่างหนึ่งเท็กตูฉันอ่านทุกชนิดเว้นโผชนะห้าก็คือพวกขาสัญญาณนี่ก็ไม่เป็นไรพวกพนาผลพวกผักอะไรต่างๆนี่ก็ไม่เป็นไรเรื่อนี้ก็ไม่เป็นอาบับิเขาเรียกว่าอ่านาบับ ส่วนจะมีวิธีการที่เป็นอาบาัตบ้างไม่เป็นอาบาัตบ้างเรียกว่าจตุกะห้าหมวดจตุกะห้าหมวดก็คืออานิมานติตาจตุกะก็มีพิสุไม่ได้นิมนต์เป็นที่ 4. สี่เขาเรียกว่าอะนิมานติตาจตุธามีพิสุตที่ไม่นิมนต์ไม่ได้นิมนต์เป็นที่สี่หรือว่าปินดาปาติกะจตุทธามีพิสุตถือปินบาตเป็นวัดเป็นที่สี่ อนุปะสัมปันนะเจตุธามีอนุสัมบัญเป็นที่สี่แล้วก็ปัตตาเจตุธามีบาตเป็นที่สี่พวกนี้ทําให้ไม่มีอับบัตไม่ถึงสี่รูปเพราะว่าทรงบาตไปบ้างหรือว่ามีอนุสัมบัญเป็นที่สี่บ้างพวกนี้ไม่มีอบัตที่ลานะเจตุธะมีพิสุอาภาเป็นที่สี่อันนี้พิสุอาภารูปเดียวที่ไม่ต้องอบบัตอีกสามรูปนั้นต้องอบบัตเพราะว่าพิสุที่เป็นอาภาเนี้ยจะเป็นคณะปุรณาทําบริษัทให้เต็นได้ ในจตุกะห้าหมวดนี้างไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ได้เวลานะก็ขออนุโมทนาสาธุการนะท่านผู้มีศรัทธาได้ยินได้ฟัง้ะก็มีศรัทธานในการที่จะรักษาพระวินัยเพื่อเป็นปัจจัยในการอบรมายสิกขาเพื่อบรรลุมรรลนิพพานขอให้ท่านสิ้นทุกขจากวัตฏทุกนี้โดยเร็วพันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ